เจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุธที่ส1บธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช2557หเจ็ด เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทบทวนบัญชีบุญกับบาปดูว่าปีนี้จะกำไรหรือขาดทุนเหมือนกับบริษัทห้างร้านต่างๆพอถึงสิ้นปีก็มีการปิดงบปิดบัญชีมีการทบทวนดูรายรับรายจ่ายว่า อันย่างไหนจะมากกว่ากันถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็ได้กำไรถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็ขาดทุนฉันใดใจของเราก็มีรายรับและมีรายจ่ายเหมือนกันรายรับของใจเราก็คือบุญคือความสุขความสบายใจรายจ่ายของเราก็คือบาปความทุกข์ใจ ความวุ่นวายใจอันนี้เรามาลองทบทวนดูว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึงวันที่สาสอ็ธันวาคมนี้เราทําบุญมากกว่าบาปหรือเราทําบาปมากกว่าบุญถ้าเราทําบุญมากกว่าบาปเราก็ได้กําไรตายไปถ้าเกิดต้องตายวันนี้เราก็จะได้ไปสุคติ ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ถือว่าเราขาดทุนตายไปก็ต้องไปอบายใจของเราเป็นอย่างนี้ไปจะไปสูงไปต่ำไปดีไม่ดีไปสุขไปทุกข์อยู่ที่บัญชีบุญกับบาปของเราพระพุทธเจ้าจึงพยายามสอนให้พวกเราทำบุญละบาปกันให้มา ก, มาก อย่าไปทำบาปละบุญเพระจะทำให้ลำบากตกทุกข์ได้ยากอย่างสุนัขที่อยู่รอบวัดนี้ก็เป็นพวกที่ทำบาบมากกว่าทำบุญชอบทำบาชอบละบุญแล้วตายไปก็เลยต้องมาเกิดเป็นเดรัจฉานนะเดรัจฉานนี้เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเขาก็เป็นมนุษย์ ส, สัตว์ทุกชนิดนี้เคยมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันทุกคนทุกตั ว, ไ ม, ว am, มนมนไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหมก็เคยมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานก็เคยมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะพบของมนุษย์นี่แหละเป็นที่ผลิตเทวดาอินพรหมทั้งหลายพบของมนุษย์นี่แหละเป็นที่ผลิตเดรัจฉาน เปลือและอศุรกายและสัตวนรกทั้งหลายมาผลิตกันที่พบของมนุษย์นี้พพมนุษย์นี้เป็นเหมือนโรงงานโรงงานผลิตพบต่างๆเพราะว่าพบต่างๆนี้นอกจากพบของมนุษย์ไม่สามารถผลิตบุญหรือผลิตบาปได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มาผลิตบาปกันผลิตบุญกัน ด้วยความสมัครใจของตนเองซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไปผลิตบาปกันส่วนน้อยจะผลิตบุญกันอย่างวันนี้ช่วงหยุดเทศกาลนี้คนทำบุญกันสักเท่าไหร่คนไปทำบาปกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไปทำอะไรที่เกิดความเสียหาย ขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้คนตายก็เป็นการทำบาปแต่ถ้ามาทำบุญตอนคืนก็มาสวดมนต์ข้ามปีข้ามวันข้ามเดือนกันอย่างนี้ก็จะทำบุญได้ประโยชน์ได้ความสุขใจได้สวรค์เป็นที่ไปต่อไปนี่คือความจริงของ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบพวกเราไม่สามารถมองเห็นภพชาติต่างๆได้เพราะพวกเรายังมีตามืดบอดอยู่ตาของเรามองได้แต่ภพนี้มองได้แต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนื้อแต่สิ่งที่ต้องเห็นด้วยตาทิพนี้เรามองไม่เห็นเพราะตาทิพของเรายังบอดอยู่ ไม่เหมือนตาทิพย์ของพระพุทธเจ้าที่สว่างสวัยเห็นภพชาติเห็นอะไรต่างๆเห็นเทวดา<ๆ>เห็นอิน<ๆ>เห็นพรหมเห็นนรกเห็นสวรรค์<ๆ>เห็นเปรต<ๆ>เห็นผี<ๆ>ท่านเห็นหมดเพราะว่า<ๆ>ท่านลืมตาทิพย์ของท่านขึ้นมาตาทิพย์ของโวกเราตอนนี้มันหลับอยู่ ถ้าเราอยากจะเห็นอะไรต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเราก็ต้องมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าทำตามคำสอนแล้วเราก็จะเห็นอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษกับเราเราก็จะไม่ทำ อย่างผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี้ทา่านมีดวงตาเห็นธรรมมีตาที่เห็นบุญเห็นบาปเห็นผลของบุญเห็นผลของบาปอย่างชัดเจนถ้าทาบาปไม่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีประพฤติผิดประเวณีก็ดีพูดปดมดเทศก็ดีเสพสุรายามาก็ดีทาแล้วจะต้องไปเกิดในอบาย ไปเป็นเดลฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุผลของการทําบาปท่านแสดงไว้ว่าถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงคิดว่าไม่เป็นไรเช่นคนที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์เช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควาย เขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเขาต้องทำมาหากินคิดว่าทำอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่นี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันเพราะพวกเดรัจฉานเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรเขาก็ต้องกัดต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของเขาไปในวันวันหนึ่ง แต่มนุษย์นี้มีความสามารถมากกว่าเดรัจฉานมนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องทรอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราสามารถทาอาชีพอย่างอื่นได้เราทาเย็บปักถักร้อยทำกับข้าวขายเก็บขวดขายเก็บขยะขายถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถเราก็ไม่ต้องทำบากได้พออยู่ได้อย่าง อย่างไม่เดือดร้อนตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานผู้ที่ทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้คิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจําเป็นต้องทำอย่างนี้ตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็เป็นเดรัจฉานแล้วใจไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์นี้จะต้อง ไม่ไม่ทำบาปทั้งห้ประการนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้ายัางทำบาปข้อใดข้อหนึ่งอยู่นี้เรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่เต็มร้อย <Yeah. S 2> ส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความโลภคืออยากได้มากๆาอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตเวลาทำบาปนี้พวกนี้ท่านบอกว่าจะต้องไปเป็นเปร่ง เป็นเปรตเพราเปรตนี้เป็นพวกที่มีแต่ความโลภอยู่ในใจต่อให้ได้มากน้อยเพียงอยก็ไม่อิ่มไม่พอท่านเปรียบตัวเปรตเหมือนกับตัวที่มีท้องใหญ่แต่มีปากเท่ารูเข็มคิดดูเวลามีปากเท่ารูเข็มนี้กินอะไรเข้าไปมากน้อยเท่าไหร่ถึงจะทำให้ท้องเท่าตุ่มนี่มันเต็มสถทีน่คือความรู้สึกของใจ ของผู้ที่เป็นเปรตรู้สึกว่าเวลาได้อะไรมานี่รู้สึกว่าได้น้อยมากไม่พออยากจะได้มากมากไม่อิ่มเนี่ยพราะท้องมันเป็นตุ่มแต่ปากมันเป็นรูเข็มเหมือนกับว่าของเข้าไปนี้เข้าไปได้ทีละเล็กทีละน้อยมันจึงไม่สามารถที่จะไปเติมให้ท้องที่เป็นเหมือนตุ่มนี่มันเต็มได้นี่แหละคือลักษณะของเปรตเป็นอย่างนี้ แต่ให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีคำว่าพอมีแต่คำว่าหิวว่าอยากอยู่เรื่อยๆพวกนี้จึงทำบาลด้วยความโลภทั้งๆ ท, ที่มีเหลือกินเหลือใช้กินไปในชาตินี้ก็กินไม่หมดแต่ก็ยังมีความโลภยังอยากได้อยู่นั้นขอให้พวกเราระมัดระวังถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเป๋ น, ป น, นี่วิธีแก้ก็คือ เอาเงินที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี่มาทำบุญเพื่อจะได้สวนกระแสของความโลภของความอยากภายในใจเวลาเรามาทำบุญแล้วใจของเราจะเกิดความอิ่มขึ้นมาเพราะบุญนี่แหละคืออาหารใจที่แท้จริงพอทาบุญแล้วก็เกิดความอิ่มอบใจทำมากมากก็จะไม่อยากได้เงินได้ทองทีนี้จะรู้แล้วว่า การที่ได้มามากๆนี้มันไม่ได้ทําให้เราอิ่มแต่การที่เราเอาไปให้คนอื่นนั่นแหละจะทําให้ใจของเราอิ่มเราเก็บไว้เพียงเท่าที่จําเป็นก็พอเพราะพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาทําบุญกันอยู่เรื่อยๆคนที่ทําบุญใส่บาได้ทุกวันนี้เหมือนกับซื้อประกันภัยไว้ประกันอนาคตว่าตายไปไม่ต้องไปเป็นเปรตนี่อย่างแน่นอนนี่คือ เหตุที่พาให้ผู้ไปต้องไปเกิดเป็นเปรต เ, เพราะทำบาปด้วยความโลภดังนั้นเราต้องพยายามใช้หลักของมักน้อยสันโดษใช้หลักของการทำบุญทำทานมาต่อต้านการที่จะทำให้เรากลายเป็นเปรตไปถ้าเราทำบุญทำทานใจเราก็จะอิ่มมีความสุขก็จะมักน้อยสันโดษได้มักน้อยก็คือยินดี ไม่มากต้องการเพียงเท่าที่จำเป็นพอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอแล้วไม่ต้องรำ่ำไม่ต้องรวยไม่ต้องเป็นมหาเศรษฐีเพราะการเป็นมหาเศรษฐีนี้ไม่ได้ทำให้เป็นผู้ร่ำรวยที่แท้จริงเพราะมหาเศรษฐีนี้จะไม่รู้จักคำว่าพอถ้าไม่พอก็จะเป็นเปรตแต่คนที่รู้จักคำว่าพอ กนนั่นแหละเป็นมหาเศรษฐีอย่างแท้จริงดังนั้นขอให้เรามาเป็นมหาเศรษฐีด้วยการมีคำว่าพออยู่ในใจเราอย่าเป็นมหาเศรษฐีด้วยการมีความอยากอยู่ในใจของเราเพราะนั่นไม่ได้เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีทางมนุษย์ทางร่างกายแต่จิตใจนี้เป็นเปรตส่วนพวกที่เป็นคนจนยากจน มีเงินมากน้อยเพียงไรก็เอาไปแบ่งปันเอาไปทำทานอย่างพระเวชสันดร น, นี่ท่านอยู่แบบคนขอทานท่านอยู่แบบคนยากคนจนท่านไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรทั้งๆ ท, ที่ท่านก็เป็นถึงพระราชามาหาษักษ์แต่ท่านก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใครมีความเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือท่านยินดีช่วยเหลือให้อย่าง เต็มที่แม้แต่บุตรแม้แต่ที่ดาก็ยังยกให้เนี่ยนี่แหละพระเวชสัดนดรที่เป็นเศรษฐีที่แท้จริงเนี่ยท่านเป็นผู้ให้แล้วเวลาตายไปท่านก็ไปเป็นเทวดาแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มากลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมารแล้วก็ได้ออกบวชได้ตัดสรุ เป็นพระ อ, อาลันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือลักษณะของของนักปราชญ์ของคนฉลาดจะไม่หลงกับวัตถุข้าวของเงินทองที่เป็นสมบัติชั่วคราวที่ไม่ใช่เป็นอาหารของใจที่ไม่สามารถทำให้ใจอิ่มเ อ, อิบได้ถ้าสมบัติมันทำให้ใจอิ่มได้คนเราก็ไม่ต้องมีร้อยล้านพันล้าน ที่มีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ใจเราพอนั่นเองมันไม่ได้ทำให้ใจเราอิ่มเพราะมันไม่ได้เป็นอาหารของใจมันเป็นอาหารของตัณหาของความโลภของความอยากยิ่งให้เงินทองกับตัณหาความโลภมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งอยากมากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งตัวใหญ่ขึ้นไปยิ่งโลภมากขึ้นไปนี่แหละเป็น เหตุที่ทำให้คนต้องไปเป็นเปรตกันเพราะไม่รู้ว่าความโลภนี้เป็นภัยต่อจิตใจเพราะจะทำให้ไปทำบาปเมื่อทำบาปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเปรตนี้ก็คือขอทานทางจิตวิญญาณนั่นเองเพราะว่าเวลาอยู่ไม่ทำบุญไม่เอาเงินไม่เอาสมบัติที่จะไปใช้ในโลกทิพย์ได้พอตายไป ร่างที่ก็ไปด้วยมือเปล่าๆไม่มีบุญติดตัวไปก็ต้องมารอรับส่วนบุญของคนที่กำลังมีชีวิตอยู่เวลาทำบุญเขาก็กรวดน้ำอุทิศบุญไปให้เขาก็อยู่แบบขอทานอยู่ไปขอไปวันวันหนึ่งจนกว่าจะหมดกรรมหมดกรรมแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปนี่คือผู้ที่ ทำบาปด้วยความโลภตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวอดอยากกลัวเจ็บกลัวอะไรก็ไปทำบาปกลัวคนอื่นเขาจะมาทำร้ายเราเราก็ไปทำร้ายเขาก่อนกลัวที่จะอดอยากขาดแคลนก็ไปลักทรัพย์ไปขโมยข้าวของไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะดับความกลัว แต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดับความกลัวได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถจะดับความกลัวได้สิ่งที่จะดับความกลัวได้ก็คือจะต้องปลงเท่านั้นเองต้องปลงว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราปลงไม่ได้นี้เราจะต้องไปทำบาปทำกรรมอยู่เรื่อยๆแล้วตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นอสรกาย แต่ถ้าเราปรงได้ยอมตายได้ตายไปเราก็ไปเกิดเป็นพระโสดาบันได้นี่คือความแตกต่างกันระหว่างจิตใจของผู้ที่ปล่อยกับผู้ที่ยึดติดผู้ที่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยึดติดกับชีวิตของตอนนี้มักจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติรักษาชีวิตของตอนไว้ พอตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นอสุลกายแต่ถ้ายอมได้โกงได้ตายไปก็ไปเกิดเป็นพระโสดาบันไดหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้นี่คือความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่กลัวแก้ความกลัวผู้ที่แก้ความกลัวด้วยการปลงพอปลงแล้วจะหายกลัวหรือถ้า ลงไม่ได้ก็ใช้การทำใจให้สงบเช่นเวลาไปเจอความกลัวก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความกลัวพอเราอยู่กับพุทโธฝากเป็นฝากตายไว้กับพุทโธได้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอใจความเข้าสู่ความสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปแต่สู้การตรงไม่ได้ ถ้าปลงได้นี้มันจะหายไปอย่างถาวรมันจะไม่กลัวตายอีกต่อไปแต่ถ้าแก้ด้วยพุโทโธพอค ร, ราวหน้าเจอสิ่งที่น่ากลัวอีกก็ต้องใช้พุโทโธอีกเพราะความกลัวยังไม่หายไปแต่ถ้าใช้ความปลงอนิจจ์ได้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ทุกคนไม่ใช่ก็เร็วสักวันหนึ่งจะต้องตายด้วยกัน ถ้า ต, ตายด้วยการตรงนี้จะไปสู่สุขคติจะไปเป็นพระ อ, อริยจเจ้าได้แต่ถ้าไม่ยอมตรงกลับไปทำบาปเพื่อรักษาชีวิตไว้อันนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นอ ส, สูรละกายส่วนพวกที่สี่พวกนรกนี้เป็นพวกที่ทำบาปด้วยความโกรธความเกลียดด้วยความอาฆาตพยาบาท เวลามีใครมาทําให้เจ็บช้าน้ําใจนี้ต้องล้างแค้นฟันต่อฟันตาต่อตาชีวิตต่อชีวิตพวกนี้เวลาตายไปก็จะต้องไปตกนรกผู้ที่พยายามที่จะฆ่าผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นอย่างพระเทวทันนี้ยังไม่ได้ฆ่าเลยเพียงแต่ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือน ก, ก็ต้องไปตกนรกแล้วอนันตริยกรรมนี้มี อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทำให้สงแตกแยกอันนี้ถือว่าเป็นกรรมที่หนักที่สุดกรรมเหล่านี้เกิดจากความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมโกรธเกลียดเราต้องระมัดระวังเวลาเราเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมานี้ เราต้องพยายามแผ่เมตตาให้ได้พยายามให้อภัยให้ได้อย่าไปถือโทษโกดเคืองเพราะว่าการไปจองเวรจองกรรมนี้จะทำให้เราต้องไปตกนรกต่อไปพยายามหัดแผ่เมตตาคิดดีหวังดีต่อผู้อื่นถ้าผู้อื่นเขาไม่คิดดีหวังดีกับเราก็ยกโทษให้เขาไปให้อภัยเขาไป ้เราจะได้ไม่โกรธไม่เกลียเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำบาปไม่ไปฆ่าเขาเมื่อเราไม่ไปฆ่าแล้วเราก็จะไม่จะได้ไม่ต้องไปตกนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลีย์แต่ถ้าให้อาภัยได้ก็ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปตกนรก เช่นใครเขาทำให้เราเสียใจเราก็ให้อภัยเขาไปสัพเพสัตตาเอเวราโหรตุการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่ใช่ไปแผ่ตอนที่นั่งสมาธิอยู่ในบ้านคนเดียวหรืออยู่ในวัดต้องแผ่ตอนที่เขามาด่าเราเขามาทุบเรามาตีเราโดยให้คิดอย่างนี้ก็ได้ว่าเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วยังไม่ตีเรา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 ยุติการฆ่าผู้อื่นได้แล้วชีวิตของเราจิตใจของเราก็จะปลอดภัยตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติไปเป็นเทพบ้างไปเป็นพรหมบ้างไปเป็นพระอริยบุคคลบ้างไปถึงพระนิพพานบ้างนี่เป็นทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราไปกันวันนี้เรามาทบทวนมาบวกลบคูณหารดูบัญชีของเราว่า จิตใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรดูได้ถ้าจิตใจเราวุ่นวายมีความทุกข์มากกว่าความสุขก็แสดงว่าบัญชีบาปของเรามากกว่าบัญชีบุญแต่ถ้าเรามีความสุขมีความสงบเย็นใจสบายอกสบายใจมากกว่ามีความทุกข์ความวุ่นวายใจก็แสดงว่าบัญชีบุญของเรามีมากกว่าบัญชีบาป ถ้ามีบาปมากกว่าบุญเราก็รีบทำบุญให้มากกว่าบาปนะเพราะว่าบุญกับบาปที่ทำไปแล้วนั้นเราไปลบไม่ได้บาปทำไปแล้วลบออกไม่ได้บุญทำไปแล้วลบไม่ได้แต่เรายังสามารถแก้ไขได้ถ้าตอนนี้บาปมากกว่าบุญก็รีบทำบุญให้มันมากกว่าบาปไว้นะเหมือนกับบริษัทถ้าปีนี้ขาดทุนปีหน้าก็พยายามทำกำไรให้มาก เพื่อที่จะได้เอากำไรมาโปกการขาดทุนของปีนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปบัญชีบุญของเราก็จะมีมากกว่าบัญชีบาปแล้วเวลาตายไปเราก็จะได้ไปเกิดในสุคติยังไม่ต้องไปใช้บาปบาปยังไม่มีโอกาสแสดงตัวเพราะบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเดินใจของเราให้ไปเกิดในสวรรค์ แล้วพอบุญกับบาปลดมาเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มาพยายามสร้างบุญขึ้นไปใหม่ให้มากๆสร้างไปให้จนถึงพระนิพพานเลยเช่นองคุลิมานีตอนที่ก่อนจะพบพระพุทธเจ้านี้บัญชีบาปมากกว่าบัญชีบุญฆ่าคนต้อง999คนมาแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะไปสู่พระนิพพาน ถ้าอยากจะไปพระนิพพานนี้ต้องหยุดฆ่าพอเข้าใจแกก็หยุดฆ่าแล้วก็มาฆ่ากิเลสแทนสิ่งที่ฆ่าแล้วเป็นบุญก็คือฆ่ากิเลสถ้าอยากจะฆ่าอย่าไปฆ่าคนมาฆ่ากิเลสในใจของเราฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงถ้าฆ่าไอ้สาตัวนี้ตายไปหมดแล้วเราก็จะไปถึงพระนิพพานพระองคุลิมานก็เชื่อพระพุทธเจ้า หยุดฆ่าคนแล้วก็กลับมาฆ่ากิเลสตามหาฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดไปจนใจได้ไปถึงพระนิพพานะก็เลยไม่ต้องกลับมาใช้กรรมที่ไปฆ่าคนถึง999คนด้วยกันนะนี่แหละคือวิธีล้างบาปของพวกเราต้องล้างแบบนี้ต้องเอาเอาบุญมาล้างให้ได้ ทำบุญแต่ไม่ใช่ทำบุญเพียงแค่ทำทานทานนี้ไม่มีกำลังพอที่จะมาล้างบาปเพราะบาปนี้มันหนากว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าที่มีคราบสกรปรกติดอยู่ในเสื้อผ้าถ้าเราซักด้วยน้ำเปล่านี้มคราบสกรปรกมันจะไม่ออกเราต้องใช้แฟบใช้ยาขัดต้องแช่ ไ, ไว้เนี่ย ยาขัดก็คือการปฏิบัติทำภาวนาส ม, มถะภาวนาวิปัสนาภาวนาทาทานนี่เหมือนกับใช้น้ำปอเปล่าซักซักก็ออกเป็นบางส่วนแต่จะไม่สะอาดไม่ขาวสะอาดเหมือนกับเราใส่ผงซักพวกใส่ ย, ยาขัดเข้าไปแช่ไว้สักพักหนึ่งนี้คราบสกปรกนี่จะไหลออกมาหมดเลยดัยงนั้นถ้าเราอยากจะชำระบาปอย่างถาวร หลัที่ว่าเราไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมอีกต่อไปเราก็ต้องภาวนาต้องเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือทำใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบส่วนวิปัสสนาก็คือเวลาออกมาจากความสงบแล้วใจเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาฆ่า สิจรใจว่าอย่าไปทำตามความอยากตามความโลภเพราะเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขพอเราเห็นชัดว่าเป็นจริงอย่างนั้นเราก็หยุดความโลภหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาพอสะอาดบริสุทธิ์ใจก็เป็นนิพพานนิพพานก็คือผู้ที่สิ้นกิเลสนั่นเองใจที่สิ้นกิเลสใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลง ใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาถูกผู้อื่นจองเวรจองกรรมอื่นต่อไปนี่แหละคือบุญที่พวกเราต้องสร้างกันถ้าเราอยากจะชระล้างบาปกรรมต่างๆที่เราได้ทำมามากน้อยให้หมดไปต้องชำระล้างด้วยการภาวนาด้วยการชาใจให้สะอาดกาจัด กิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจของเราก็จะเป็นปรมังสุขขังไปตลอดดังนั้นในวันสุดท้ายของปีนี้จึงขอให้ท่านจงนำเอาธรรมะที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติไปแก้บัญชีของท่านถ้าบัญชีบามันมีมากกว่าบัญชีบุญ รีบพยายแก้เสียในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะถ้าตายไปแล้วมันสายไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วจะแก้ได้ก็ตอนที่มีชีวิตอยู่นี้เท้นั้นการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพศีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็นกันในวันนี้